ิญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจคุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่13วิถุนายนพุทธศักราช2 5 8เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อที่จะได้มารับยา ไปรักษาโรคใจที่สร้างความทุกข์ความไม่สบายใจให้แก่พวกเราอยู่เรื่อยๆโรคใจก็เป็นเหมือนโรคของทางร่างกายต้องมียารักษาถึงจะหายถ้าไม่มียารักษาโรคก็จะไม่หายความทุกข์กาย ไม่ได้หายความทุกข์ใจก็ไม่หายถ้าไม่มียายารักษาโรคกายกับยารักษาโรคใจนี้เป็นคนละอย่างกันถ้าต้องการยารักษาโรคของร่างกายเราก็ไปร้านขายยาไปโรงพยาบาลถ้าต้องการยารักษาโรคใจคือความทุกข์ใจ ความไม่สบายใจเราก็ต้องมาวัดเพ่อวัดเป็นที่ขายยารักษาโรคใจอย่างวันนี้ญาติโยมก็มาวัดเพื่อมารับยาของพรพรเจ้าเรียกว่าธรรมโอสถธรรมแปลว่าคําสอนของพรพรเจ้าโอสถก็แปลว่ายาแปลความหมายว่า คำสอนของพ่อปตเจ้านี้ปัญญารักษาโรคใจใครมีโรคใจมีความไม่สบายใจมีความวิตกกังวลมีความวุ่นวายใจมีความอิดหนาระอาใจมีความอยากจะฆ่าตัวตายถ้ามารับยาธรรมโอสถของพ่อปตเจ้าแล้วนําเอาไปรับประทาน รับรองได้ว่าโรคภัยต่างๆจะหายหมดเลยพิยาของพระพุทธเจ้าตัวสำคัญสำคัญก็มีอยู่สองตัวใหญ่ๆสามตัวใหญ่ๆตัวแรกท่านเรียกว่าอานิจจาอานิจจาแปลว่าความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างวันนี้เรามากับฝนธรรมดาเราไม่ได้มากับฝน เพราะฝนไม่ได้ตกอยู่ประจำนานๆจะตกสักครั้งหนึ่งนี่ก็เรียกว่าความไม่แน่นอนพอฝนตกก็เลยทำให้รถติดทำให้น้ำท่วงทำให้มาวัดกันไม่ทันบางคนไปใส่บาตรไม่ทันก็ต้องมาตามมาใส่ถึงที่วัดนี่ก็คือเรื่องของอนิจจังไม่มีใครสามารถที่จะไป รู้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในแต่ละวันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนทุกวันนี้จะไม่เหมือนเดิมจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีทั้งดีมีทั้งไม่ดีมีทั้งขึ้นมีทั้งลงมีทั้งได้มีทั้งเสียมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ถ้าใจมียาคือ อนิจจาอยู่ในใจใจก็จะคอยเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่แน่นอนถ้าไม่มีอนิจจาไปคิดว่าทุกอย่างจะดีไปเรื่อยๆทุกวันทุกอย่างจะดีแต่ขึ้นไปเรื่อยๆมีแต่เจริญไม่มีเสื่อมพอไปเจอวันที่มันไม่ดีวันที่มันเสื่อม วันนั้นก็จะทุกข์ใจเพราะไม่ได้มียาไว้รักษาใจนั่นเองเราต้องมันพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่เรื่อยๆนี่คือการรับประทานยาตต่นขึ้นมานี้ก็พิจารณาอนิจจาก่อนเลยว่าวันนี้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้สิ่งที่ดีก็เกิดขึ้นได้สิ่งที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นได้ เหมือนฝนฟ้าอากาศเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมรับอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นอนัตตาคำว่าอนาัตตาก็แปลว่าเป็นธรรมชาติไม่ใช่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราบางอย่างเราก็บังคับได้ในบางเวลาแต่เราไม่สามารถบังคับทุกอย่าง ให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอต้องมีเวลาที่เราจะไม่สามารถสั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้เช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไปสั่งให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจตามคำสั่งของเรา เหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆสิ่งของต่างๆนี้เขาจะมาเขาจะไปเขาจะเกิดเขาจะดับนี้เราไปสั่งไม่ได้คนเราจะไปสั่งให้เขาดีกับเราไปตลอดก็ไม่ได้ให้เขาซื่อสัตย์กับเราไปตลอดก็ไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะ ให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักกันไปจนวันตายแต่วันดีคืนดีเขาอาจจะแอบไปหาคนข้างนอกบ้านก็ได้เพราะนี่คือเรื่องของความไม่แน่นอนถ้าเรารู้ไว้เรื่องหน้าเราก็จะได้ไม่ผิดหวังเราก็จะได้ไม่จะไปหวังในเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้หรือไม่แน่นอนเช่นไปหวังให้สามีหรือภรรยา ของเรารักเราไปจนวันตายอย่างนี้มันไม่มีใครที่จะมารับประกันได้เพราะจิตใจของคนเรามันก็เปลี่ยนได้วันนี้ดีอารมณ์ดีก็ดีวันพรุ่งนี้อารมณ์ไม่ดีก็จะไม่ดีแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับตัวเขาเองได้อย่างนั้นถ้าเราไม่ได้ไปหวังอะไรจากเขา ไม่ได้หวังความแน่นอนจากเขาเวลาเขาเปลี่ยนไปเราก็จะให้อภัยเขาได้เพราะเราเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติมันไม่ได้เป็นตัวเขาเขาบังคับตัวเขาเองไม่ได้เขาบังคับอารมณ์ของเขาเองไม่ได้เขาบังคับความโลภความโกรธความหลงของเขาไม่ได้เขาจึงต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา บางวันเขาก็รักเราบางวันเขาก็ไม่ชอบเรานี่คืออนิจจาที่เราควรที่จะฝึกสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วก็อนัตตาก็คือเราไปสั่งให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้เสมอไปบางเวลาก็สั่งได้บางเวลาก็สั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่น กับความคิดของเราความคิดของเรามักจะคิดไปในทางความต้องการของเราเราต้องการให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่พอถึงเวลามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการก็ได้อาจจะเป็นก็ได้เราต้องเตรียมรอบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะถูกใจหรือไม่ถูกใจ มันก็ต้องเตรียมตัวรับไว้เพราะนี่คือโลกของอนิจจังโลกของอนัตตาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องอย่าไปอยากให้เป็นปตามทาความอยากของเราทำใจของเราให้อยากตามความเป็นจริงจะดีกว่าเช่นวันนี้ฝนตกก็ทำใจให้อยากฝนตกถ้าอยากฝนตกฝนตกเราก็จะดีใจ เราจะได้สิ่งที่เราต้องการวันนี้ถ้าเกิดใครเขาด่าเราก็ทำใจว่าวันนี้อยากให้คนเขาดา่าถ้าอยากให้เขาด่าแล้วเวลาเขาดา่าเราก็จะดีใจไม่เสียใจแต่ถ้าเรามีความอยากไม่ให้ใครเขาด่าเราพอใครเขาพูดไม่ดีด่าเราเราก็จะเสียใจนี่คือธรรมะโอสถคํำสอนของพ่อพรเจ้า ที่จะมาแก้ความทุกข์ใจให้แก่พวกเราได้หมดถ้าเราทําใจเป็นปรับใจให้รับกับความเป็นจริงอย่าไปอยู่กับความเพอ้อฝันใจเราชอบเพอ้อฝันชอบอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีไปหมดเรียบร้อยไปหมดซึ่งในโลกของความเป็นจริงไม่มีอะไรดีไปหมดไม่มีอะไรเรียบร้อยไปหมดไม่มีอะไรอยู่กับเราไปตลอด ทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วก็ต้องไปแม้แต่ร่างกายของเรามาแล้วก็ต้องไปเหมือนกันดังนั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจถ้าเตรียมใจแล้วจะไม่ทุกเวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาจะดีใจเพราะรู้แล้วว่ามันจะเกิดเหมือนกับรู้แล้วว่าลอตเตอรี่งวดนี้จะต้องออกเลขนี้แทงไปเลยพอแทงปั๊บมันก็ออกมาตามที่เรารู้ไวล่วงหน้าเลย เช่นวันนี้จะโดนใครดา่านี่ก็แทงไปเลยต้องโดนแน่ๆจะต้องมีใครแกล้งเราจะ ต, ต้องมีใครเขาไม่ชอบใจเราไม่พอใจเราจะต้องมีใครมาโกงเราจะต้องมีคนมาหลอกเราให้เตรียมตัวคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้พวกเรามันชอบจะเอาแต่สิ่งดีๆพอไปเจอสิ่งไม่ดีมันก็เลยทุกกันพราะเราอยู่ในโลกของความฝัน เราไม่ยอมอยู่ในโลกของความจริงโลกของความจริงมันมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีมีทั้งเกิดมีทั้งดับมีทั้งเจริญมีทั้งเสือ่อมนี่คือโลกของความเป็นจริงพระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่กับความจริงแล้วใจจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนถ้าไม่อยู่กับความจริงพอใจไปคิดอย่างหนึ่ง แล้วได้อีกอย่างหนึ่งก็จะเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจและดีไม่ดีก็จะเอาความทุกข์ใจนี้มาฆ่าตัวเองให้ตายไปก็ได้ทั้งๆ ท, ที่ไม่อยากจะฆ่าตัวเองแต่พอไปเจอเหตุการณ์เือเรื่องราวที่ทำให้ทำใจไม่ได้จนกระทั่งทุกทุกจนกระทั่งทนอยู่ต่อไปไม่ได้ ชีวิตที่อุตสารักษามาแทบเป็นแทบตายพอมาเจอความผิดหวังเข้าจนกระทั่งทนกับรับกับมันไม่ได้ก็ถึงกับข่าตัวตายไปก็มีนี่เพราะว่าไม่เตรียมยาเอาไว้อย่าไปกลัวถึงเรื่องของการคิดถึงเรื่องที่ไม่ดีต่างๆไม่ใช่ว่าคิดแล้วมันจะแช่งจะทำให้เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดก็ได้มันอาจจะไม่เกิดก็ได้ แต่ถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนเวลามันเกิดเราจะทำใจไม่ได้แต่ถ้าเราเตรียมตัวไว้ก่อนเวลามันเกิดเราจะไม่เดือดร้อนเราจะรู้สึกเฉยเฉยเราเพราะเรารู้ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างวันนี้ฝนตกพวกเราไม่ค่อยเดือดร้อนกันเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าเรารู้ว่าสักวันหนึ่งฝนมันก็ต้องตก เราอยู่ใต้ฟ้าจะหนีฝนไปได้ยังไงเวลาฝนตกมันก็ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรตกอย่างมากมันก็แค่เปียกแค่ท่วมบ้างหรืออย่างมากก็แค่ตายในที่สุดคนเราทุกคนเกิดมาก็ต้องตายด้วยกันดังนั้นถ้าเราคิดถึงความตายได้ยิ่งดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจอมันแน่ๆความตายนี้ไม่มีใครหนีพ้นน แต่เราสามารถที่จะเจอมันได้อย่างมีความสุขถ้าเราพร้อมที่จะเจอมันถ้าเราไม่พร้อมที่จะเจอมันเราจะทุกข์นี่คือเรื่องของใจเราจะสุขจะทุกข์อยู่ที่ความพร้อมถ้าพร้อมที่จะเจอกับสิ่งต่างๆใจจะไม่สะทกสะทานไม่หวั่นไหวถ้าไม่พร้อมแล้วใจจะหวั่นไหวใจจะทุกข์ นี่คือเรื่องของธรรมชาติของใจอยู่ตรงที่ว่าพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์ต่างๆหรือไม่วิธีที่จะทำใจให้พร้อมที่จะรับนอกจากต้องคิดถึงเหตุการณ์ที่ไม่ดีต่างๆเช่นความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ต้องมาทำใจให้นิ่งด้วยถ้าใจไม่นิ่งนี้มันจะรับไม่ได้เวลาเจอเหตุการณ์ต่างๆ เราจึงต้องมาฝึกนั่งสมาธิกันทําใจให้นิ่งทําใจให้สงบเพราะเวลาใจสงบใจนิ่งแล้วใจจะเป็นเหมือนก้อนหินลมพายุพันมามันก็ไม่สามารถที่จะขยับก้อนหินได้แต่เวลาใจเราไม่นิ่งนี้มันเป็นเหมือนปุยนุ่นลมพัดมาเบาๆมันก็ปุยมันก็ปลิวไปตามกับกระแสลมคนก็พูดอะไรไม่ดีหน่อย ทัานนั้นใจก็ไปละเสีย อ, อกเสียใจละใครก็ทำอะไรไม่ถูกใจหน่อยก็ไปละใจลอยไปกับความทุกข์ลวเพราะไม่ได้ฝึกทำใจให้นิ่งให้เป็นเหมือนก้อนหินนั่นเองดังนั้นการมาฝึกทำใจให้นิ่งการนั่งสมาธินี้เป็นภารกิจที่สาคัญอย่างมากถ้าเราจะรับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามา ทำลายความทุกข์เราต้องมีความนิ่งถ้าใจไม่นิ่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่สามารถมารักษาใจได้อย่างพวกเรานี้ก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันเป็นเวลาอันยาวนานแล้วฟังจนกระทั่งหูฉีกแล้วยาของพระธเจ้าก็รับเอามากันต้องเยอะแยะแล้วแต่พอถึงเวลาจะกินยากินไม่เข้ากินไม่ลง ไม่สามารถนำเอามาดับความเครียดดับความทุกข์ใจได้เพราะเราไม่มีความนิ่งเราไม่เคยฝึกใจให้มันนิ่งให้มันสั์แต่ว่ารู้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำกันต้องมาฝึกทำใจให้นิ่งพอนิ่งแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้น เราห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องนิ่งอย่างเดียวถ้านิ่งแล้วจะไม่ทุกข์ถ้าไม่นิ่งอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันจะทุกข์ขึ้นมาทันทีดังนั้นวิธีทําใจให้นิ่งเราก็ต้องมาฝึกมาเรียนรู้สิ่งที่จะทํให้ใจให้นิ่งเราเรียกว่าสติสตินี้จะเกิดขึ้นได้หลายวิธีเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธ ก็จะทำให้มีสติขึ้นมาหรือว่าจะสวดมนต์ไหว้พระก็ได้ก็สาคัญต้องไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาที่เราบริกรรมพุทโธพุทโธหรือเวลาที่เราสวดมนต์ให้อยู่กับการสวดมนต์ให้อยู่กับคำบริกรรมแล้วใจจะนิ่งใจจะเป็นเหมือนก้อนหินใหม่ๆ ม, มันยังไม่นิ่งเพราะว่ามันไม่เคยชิน สวดได้คำสองคำเดี๋ยวมันก็ไปคิดเรื่องนั้นเร่องนี้แล้วเราก็ต้องดึงกลับมาใหม่มาเริ่มต้นใหม่ใจเย็นๆอย่าท้อของเหล่านี้มันต้องใช้เวลาไม่ใช่ทําปุ๊บจะได้ปั๊บพยายามฝืนรำไปเรื่อยๆควบคุมใจให้อยู่กับคำบริรรมพุทโธพุทโธให้อยู่กับ บ, บทสวดมนตร์ ต้องทำทั้งวันไม่ใช่ทำแต่เฉพาะเวลานั้นเวลานี้เราต้องฝึกทำตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยจนถึงเวลาหลับไม่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปภายในใจแล้วใจจะมีสติหยุดความคิดหยุดความหยุดความหมุนกลิ้งของใจได้ทาให้ใจเป็นก้อนหินขึ้นมาได้พอใจมีก้อนหินแล้ว พอมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาเราก็เอาธรรมะยาของพระพุทธเจ้ามาหยุดเป็นได้มาสอนใจมาเตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมคิดไว้ล่วงหน้าว่าต่อไปเราต้องแก่ต่อไปเราต้องเจ็บต่อไปเราต้องตายต่อไปเราต้องพดัดพากจากคนนั้นจากคนนี้จากสิ่ง น, นั้นจากสิ่ง น, นี้ไม่มีใครที่จะอยู่ร่วมกันไปตลอด ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันต้องจากกันไปถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนเวลาเกิดการทัดท่าจากกันเราจะไม่เดือดร้นนี่คื อ, อยารักษาโรคใจที่พวกเรามารับกันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ขอให้เราเลิกถึงอนิจจาอนิจรังอยู่เรื่อ ย, อยขอให้เรานึกถึงอนัตตาอยู่เรื่อย อ น, นิจจังก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับมีมามีไปมีการพัดพาาจากกาันเป็นธรรมดาอนัตตก็คือเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสับ ม, มันไม่ได้ <c oughs> ถ้าไม่อยากจะทุกก็ต้องทำใจให้นิ่งๆเฉยๆเวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาแล้วใจจะไม่ทุกข์ถ้าใจไม่นิ่งใจจะทุกข์ ที่ไม่นิ่งก็เพราะความอยากอยากไม่ให้มันเกิดขึ้นหรืออยากให้มันหายไปเวลาสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วหรือเวลาสูญเสียสิ่งที่รักก็อยากจะให้กลับมานี่คือสาเหตุที่ทำให้ใจของเราทุกข์กันเพราะเราไม่ยอมรับความจริงกันไม่ยอมอยู่กับความจริงอยู่กับความจริงก็คือการทัดท่าจากกัน การสูญเสียการแก่การเจ็บการตายนี่คือปัญญาธรรมโอรสที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้พวกเราเอามาไว้รักษาใจเราต้องคิดอยู่เรื่อยมันถึงจะอยู่กับใจถ้าไม่คิดเดี๋ยวมันลืมพอมันลืมแล้วมันก็ไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ให้คนเขาไดา้ พอเขาด่าก็จะทุกข์พอร่างกายแก่ก็จะทุกข์ร่างกายเจ็บ ก, ก็จะทุกข์ร่างกายตายก็จะทุกข์แต่ถ้าคอยคิดอยู่เรื่อยๆใจจะไม่ลืมไม่หลงแล้วจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆนี่คือยารักษาโรคใจที่พวกท่านได้มารับไปในวันนี้ขอให้นำเอาไปพิจารณาอยู่เรื่องๆคิดอยู่บ่อยๆ สลับกับการทำใจให้นิ่งสลับกับการบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วรับรองได้ว่าต่อไปไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะไม่ทำให้เราเกิดความทุกข์เรเื้อร้อนใจเลยการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคณพะระศรีรัตนใจและบุญกุศล